بسم ิ اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي نازيم อาหม่าบ uh. ังซุลแลมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺ وبركاته ความสันติความจำเริญขอ Allah سبحانه وتعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับทำตัวเร็วแล้วพี่น้องครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของการเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับอยากที่จะได้เน้นย้ำนะครับแล้วก็ บอกกล่าวนะครับกับพวกเราทุกๆคนนะครับว่ากุรานนะครับที่เป็นวาฮูที่ประทานให้กับท่านนบีสุลต์ละอฮุลฮิวะซัลลัมนะครับเป็นธรรมนูญเป็นทางรอดและเป็นทางออกนะครับให้กับมวลมนุษยชาตินะครับเราที่เป็นผู้ศรัทธานะครับอย่ามองข้ามความสาคัญของอัลกุรอานนะครับดังนั้นจึงอยากที่จะให้เรานั้นพยายามที่จะได้นาอัลกุรอาน นะครับมาสู่ระบบการดําเนินชีวิตรายวันของพวเราทั้งหลายนะครับจะเป็นการอ่านจะเป็นการท่องจําจะเป็นการรู้ความหมายอ่านความหมายศึกษาอ่านในยะนะครับของอัลกรุรอานทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะครับอย่าเพิ่งมองว่าเราอ่านไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรนะครับเราศึกษาเริ่มจากอะลีบาตาก็ได้นะครับขอให้เราได้เป็นผู้หนึ่งที่ฝักใฝ่แล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการที่จะได้นำอัลกุรอานมาสู่ระบบการดำเนินชีวิตรายวัน24ชั่วโมงต่อวันของทุกๆคนเรามีเหมือนกันพี่น้องครับผมเน้นย้ำอย่างนี้เพื่อเราได้เห็นภาพว่าเมื่อ24ชั่วโมงมีเนี่ยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเราบริหารอย่างไรเราจะจัดการมันอย่างไรนะครับให้กุรอานนั้นได้มามีส่วนหนึ่งของ24ชั่วโมงรายวันอันนี้และถ้าเราไม่ทำนะเราลองถามตัวเองว่าและเวลาต่างๆเราเอาไปทาอะไร เอาไปให้ใครเรื่องใดนะครับทั้งๆที่กุรอ่านมีความสําคัญกับชีวิตผู้ศรัทธาทั้งๆที่กุรอ่านมีความเขาเรียกสร้างภาคผลผลบุญให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายและเราก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายที่ยอมยอมรับน้อมรับนะครับเขาเรียกว่าปฏิญาณตนอิมานศรัทธาว่ากุรอ่านเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮหนึ่งในรุกุลอิมานนะครับที่เราก็ เน้นย้ำกันอย่างต่อเนื่องดังนั้นการที่เราแค่ศรัทธาแต่เราไม่ได้ลงมือปฏิบัติทําอย่างไรนั้นอยากให้เราได้ไดพยายามที่จะได้มองแล้วก็บริหารจัดการตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะเชา้ากลางวันเย็นกลางคืนก่อนนอนหลังตื่นนอนหรือจะ ก, กี่นาทีนะครับก็แล้วแต่ขอให้มีทุกวัน นะครับเวลานี้ทุกวันเลยต้องเป็นของอัลกุรอานเวลานี้ทุกวันเลยจะต้องเป็นการศึกษาอัลกุรอานนะครับดังนั้นพี่น้องที่ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับเรามีโอกาสแล้วตรงนี้ก็อยากให้เราใช้ช่วงเวลาอย่างนี้นะครับมาศึกษามาทบทวนมาเรียนรู้ร่วมกันว่ากุรอานสอนและบอกอะไรกับเรานะครับครับพี่น้องครับในตอนนี้เราอยู่ในสุร่าอันกบุษนะครับเราต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอายะที่สามสิบนะครับ เท่าความในตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับที่อัลลอสซุบฮานะตะลาได้บอกนะครับว่าการทำลายล้างประชาชาติหรือกลุ่มชนของนบีลุตอะลัยฮิสาลามนะครับและพระองค์ก็ได้ทิ้งร่องรอยนะให้เห็นร่องรอยของการลงโทษของการฝ่าฝืนของออพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับพระองค์ทำลายล้างอย่างไรเท่าลงโทษอย่างไรปล่อยไว้ทิ้งไว้ให้เป็น ข้เล็กหลักฐา น, นาเพื่อปุ่มชนที่ใช้สติปัญญาในการไตรตรองนะครับต่อมานะครับอายะห์ถัดไปอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอ์สุบฮานฮตาลาได้บอกนะครับบอกว่าว่าอ ah um ิลามัยาณเอาข้อหุนชวยและแน่นอนนะครับในกลุ่มชนมัดยันนะครับที่มีนบีช่วยนะครับในการบอกในการสอนเรื่องราวของศาสนานะครับ فقال ياكم ي ع อ د الله ورجو اليوم الآخرة นบีชอยนะครับก็ได้สอนชาวเมืองนะครับบอกกล่าวเน้นย้าตักเตือนให้รู้ถึงการคารพพระบดาอัลลอฮฺสุพาหาหวตาละให้รู้ถึงการที่เรานั้นเป็นบาวและพระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮฺสุพ า, าห์วตาลเน้นย้าตักเตือนเพื่อให้ไหมครับเพื่อให้ได้รู้ว่าเราไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ เราไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างแบบอิสระเสรีทำอะไรก็ได้อยังไรก็ได้ใครคิดทำอะไรก็ทำใครไม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทำเปล่าเลยครับตรงกันข้ามครับน บ, บีชว้นะครับก็ได้บอกกับชาวเมืองมัตยันนะให้รู้ว่าหน้าที่ของเปล่าหน้าที่ของเราที่เป็นมนุษย์ที่มีโอกาสใช้ชีวิตในโลกุญญานี้เนี่ยให้กลาไหวต่อลอสุภานหัวตาล นะครับวัดยุ่งเยี่ยวมาอัราแล้วทำไมครับให้เรามีเาเรียกความหวังนะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจว่าทุกอา ม, มันทุกการงานที่ทำเนี่ยนะว่ามันจะเกิดผลและจะเห็นผลและจะได้รับภาคผลในวันแห่งการตอบแทนพี่น้องเห็นไหมครับว่าในอดีตในอดีต ที่อัลลซุบฮานะฮวะตาราได้บอกกับโปรซูลได้กอบบรรดานนบบีทั้งหลายที่สอนศาสนที่มาเผยแพ่ศาสนาเนี่ยให้บอกทำไมครับให้บอกกับวาวไหวต่ออัลลอและหวังในวันแห่งการตอบแทนนั้นให้รู้ว่าถ้าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะครับอยู่เพียงแค่โลกใบนี้เนี่ยโดยไม่ได้ตั้งเป้าว่าทุกอามันทุกการงานจะได้ถูกจะได้ถูกตัดสินห้าหมอบรางวัลหรือบทลงโทษ จากพฤติกรรมที่ทำในวันนี้เนี่ยแน่นอนแหละครับชีวิตของเราก็จะสเปะสปะทาอยากทำอะไรก็ทาอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะมีอะไรก็มีนะฮะใช้อย่างไงก็ได้โกงใครก็ได้นะครับ เ, เข็นฆ่าใครก็ได้ริษรอนสิทธิของใครก็ได้ขอให้ตัวเองได้ผลประโยชน์อย่างเดียวจบคิดแค่นี้เพราะถ้าเราคิดว่าชีวิตนี้มีเพื่อสนุกสนานชีวิตนี้ ดุนยาเพื่อใช้ให้มันจบจบไปนะครับจบแล้วก็จบกันไม่มีการที่จะได้ม า, อาตอบแทนหรือจะมาคิดบัญชีหรือจะมาไม่มีถ้าอย่างนี้แล้วเราก็แน่นอนครับโลกใบนี้ก็ปั่นป่วนโลกใบนี้ชีวิตเราก็ไม่มีคุณค่าอะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาให้บรรดารอซูลทั้งหลายมาสอนมาบอกเพื่อให้รู้ว่าชีวิตในดุนยานี่สําคัญนะชีวิตในดุนยานี่มีความหมายนะ ความหมายคืออะไรครับความหมายคือเราจะต้องมองถึงผลลัพธ์ในข้างหน้าวันนี้พี่น้องครับอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าถ้าเด็กๆเกยาวชนนะครับลูกหลานของเราคิดว่าในวัยของเขาเพียงแค่เล่นโทรศัพท์นะไปเตะบอลหรือทํานู่นทํานี่เฉพาะแค่นี้ไม่ต้องมีการเรียนการสอนไม่ต้องมีการแล้วมันจะไปยังไงอนาคตข้างหน้าอันใกล้จะเป็นอย่างไรดังนั้น ผู้ที่เข้าใจในบริบทนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงได้พยายามบอกแล้วก็พยายามอบรมพยายามชี้นําท่ามกลางการยอมรับบ้างมายอมรับบ้างใช่ไม่ใช่นะยังไม่เห็นผลแล้วครับแต่อย่าลืมนะครับเมื่อวันเวลามันมาถึงเมื่ออายุมันได้ไปไงล่ะครับไอ้นู่นก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่เป็นมันก็เกิดความยากลําบากนั่นคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอดีตว่าอันใกล้นะนี่เปรียบเทียบให้เห็นดังนั้นวันนี้พี่น้องครับ ดุนยายัางเมื่ออะไรพลาดยังเริ่มต้นใหม่ได้อดีตที่พลาดพังมาอย่างไรวันนี้ยังเริ่มต้นใหม่ได้แต่อาครย์ร้อนมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะถ้าพลาดไปแล้วไปถึงวันอาครย์ร้อนแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่นบีชูอัยบอละฮิสลามาได้บอกกับประชาชาิของท่านที่บอกว่าอ้วกบุญละอ้อวารุ่ยเย้าเลอาครก็คือให้หวัง ผลตอบแทนในวันแห่งการตอบแทนวันละตาเซลฟิลอะรีมซีดินอย่าวางแผนตั้งเป้านะฮะที่จะทําลายสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้ความหมายคืออะไรครับคิดกลยุทธ์ในการคดโกงตาช่างก็ดีการตวงกว็ดีทํำยังไงให้ให้ให้โกงเข้าได้โกงได้เยอะได้น้อยนะฮะอย่านะครับอย่าคิดที่จะสร้างกลยุทธ์ในการในการโกงอย่าสร้างคิดกลยุทธ์ในการสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้ ดูเหมือนดีครับวันนี้เราเจออะไรครับนะโกงตาช่างไปไงฮะหลายรูปแบบในการโกงตาช่างในการค้าขายในการโกงในการค้าขายนะในการนำสินค้าสู่สังคมสู่ประชาชนนะข้างหน้าก็ดูดีนะวางข้างหน้าดูสวยแต่เวลาเขาซื้อเอาสิ่งที่ไม่ดีให้นะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของการโกงนะครับหรือการทำลาย หรือสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนะี้การโกงตาช่างนะครับทํานี่ให้มันหนักไว้ก่อนนะเวลาตั้งก็กินไปเกือบขีดแล้วแล้วเวลาสร้างของนะก็แต่และกลยุทธ์ที่ขึ้นมาหลากหลายนะครับแล้วก็ใช้คําพูดไม่เรียกว่าโกงใช้เพราะว่าเป็นกลยุทธ์ในการค้าขายใครๆเขาก็ทํากันอย่างนี้เขาทํากันทั้งนั้นเนี่แหละครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่บอกว่าวาลาตะเซลฟิลออร์ดิมุสซดินอย่าคิด อย่ามุ่งมั่นนะครับอย่ามองและก็อย่าพยายามที่จะสร้างอะไรที่มันสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับฟักคาซบูนี่แหละครับพี่น้องครับเวลามีคำเตือนคำสอนคำบอกในเรื่องสัจธรรมพี่น้องลองคิดดูนะฮะวันนี้เราลองมานั่งคิดกันแบบเ้าเรียกว่าเปิดใจคิดกันเลยนะครับว่ามีคนมาเตือนเราหรือสิ่งที่ดีมาบอกเราครูบาอาจารย์สอนอะไรในเรื่องที่มันอ่ เอาวะเรายังไม่รู้ละกันเมื่อมาสอนถ้าสิ่งนี้เรายังไม่รู้ว่าดีหรือไม่แต่เขาสอนแบบนี้นะระวังอย่าทําอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเข้าผิดพาดระวังอย่าทําอย่างนี้เดี๋ยวจะถูกลงโทษถ้าเราเชื่อสักหน่อยสมมุติเอาเชื่อก่อนเชื่อเราเสียหายอะไรเราเสียหายอะไรการที่นบีชูอัลอัได้บอกประชาชาติว่าอย่าอย่าอย่าสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้อย่าคดโกงตาช่างอย่าสร้างอย่าอย่ามุ่งมั่นในการสร้างความเสียหาย ถ้าเราหยุดสิ่งต่างๆมันจะเราเสียหายอะไรเราไม่ได้เสียหายอะไรนะถูกไหมฮะเราปรับตัวเราเองที่จะไม่คดโกงคนอื่นเราปรับตัวเองที่จะไม่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้แค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่ดีสำหรับเราถูกไหมครับตรงกันข้ามถ้าไม่เชื่อแหละครับอ่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะถูกลงโทษนะถ้าไม่ฟังเดี๋ยวอดับจะมานะพี่น้องลองดูถ้าเราเชื่อเราไม่เสียอะไรนะแล้วก็อยู่ๆปกติเพียงแค่ปรับ ในการที่ผิดพลาดมาถูกต้องเท่านั้นเองส่วนถ้าเราไม่เชื่อล่ะครับสิ่งที่เราจะเจอคืออะไรครับอาดาบนะฮะบทลงโทษจากอโลสุภาณหูวตาลานี่แหละครับแล้วใครจะเสียหายละ่ะเราแก้ไขได้ไหมไม่แล้วอาดาบมานี่ไม่ไม่ย้อนกลับแล้วนะครับถ้ามาแล้วถ้าตะกุมมาแล้วก็คือต้องโดนหรือต้องเจอกับบุคคลที่ทำผิดอย่างแน่นอน ต่อมาครับฟกันซาบูฟะอัคดะทุมอรัจฟตูฟะอัสมาฮูฟีดาริฮิมจาสิมินนี่คือผลลัพธ์ของคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังนี่คือผลลัพธ์ของคนที่เขาเรียกว่าคิดว่าคำตักเตือนคําสั่งสอนของบรรดารอซูลคําสั่งสอนของอิสลามการตักเตือนเป็นแค่ลมปากเป็นแค่วาทการเป็นแค่คําเขาเรียกคำขู่เท่านั้นนะพวกเขาทั้งหลายปฏิเสธไม่ยอมรับคําตักเตือนของนบีวุลัย ก็ได้รับถูกลงโทษด้วยเสียงกำมนาตนะเป็นเสียงกำมนาตเราฟังเป็นเสียงก็คืออะไรละ่ะก็เอาอุซบิลละเราไม่อยากเจอแต่คําอธิบายเสียงกำมนาตฟาอัสมาอฟิดาลิมยาเซมินพวกเขาทั้งหลายก็เ้าเรียกว่าตายอยู่ในบ้านตายอยู่กับที่ด้วยความเจ็บปวดที่ที่กรีดร้องอย่างไม่มีใครที่จะช่วยได้เพราะเสียงไม่มีอะไรกั้นเขาได้เลยเสียงกำมนาตคือเสียงที่ เมื่อได้ยินแล้วนะครับความเจ็บปวดหรือความทรมานจากเสียงกรมานาตอันนี้หัวใจเนี่ยหลุดออกมาทางปากเลยหัวใจเนี่ยนะครับหลุดออกมาทางปากด้วยความกลัวด้วยความตกตะลึงด้วยความเจ็บปวดนะภาพหน้าอานาจอย่างนี้พี่น้องครับมันไม่มีอะไรที่จะไปจินตนาการได้จริงๆด้วยกับบทลงโทษของอัลลอฮฺสุพาอัละลาความรุนแรงความน่ากลัวนะครับ เกิดจากอะไรนะครับก็ เ, เกิดจากการดื้อดึงดื้อด้านไม่ยอมเชื่อฟังแล้วคิดต่างๆ น, า น, า น, านาันนะนะถ้าทําอย่างนี้ฉันจะรวยเมื่อไหร่จะทําทอย่างนี้แล้วฉันจะได้เยอะอย่างไรนะครับมันจะต้องมีกลยุทธ์เรียกว่ากลยุทธ์ดูดีนะถ้าบอกโกงแล้วดูไม่ดีว่าดูว่าเราโกงเขาแต่ถ้าบอกกลยุทธ์เมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทําได้เห็นไหมฮะทุกอย่างมันก็ค่อยปรับจากสิ่งที่ไม่ดีสู่สู่คําพูดที่ดีแล้วคิดว่าสิ่งไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีนะฮะ เวลาไม่ไม่อายทำอะไรในสังคมแบบบ้านเราถ้าภาษาบ้านเราขออนุ ญ, ญาตนะเขาว่าน้าด้านถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมันกระทบจิตใจคนก็รู้สึกจะไม่ทำจะจะจะละทิ้งพฤติกรรมเหล่านั้นแต่สังคมไม่ยอมครับต้องการให้ทุกคนทำพฤติกรรมเหล่านี้จึงเปลี่ยนคำว่าน้าด้านแปลว่าความมั่นใจตัวเองสูงเห็นไหมมันือเกิดกันออถ้ามั่นใจตัวเองก็ทาได้ มันก็เลยทํากันทุกวันนี้เราจึงเห็นว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับการเปิดนิดปิดหน่อยการโอ้เกิดขึ้นมากมายจากอะไรครับจากความผิดที่คนก็รู้ว่าผิดแต่เมื่อมีคํามาสนับสนุนเขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นในอดีตที่ถูกบอกถูกสอนถูกกล่าวถูกห้ามว่าอย่าทําอย่างนี้นะครับสุดท้ายเมื่อไม่เชื่อทําไมครับเมื่อไม่เชื่อแล้วเขาก็ถูกอาญาถูกลงโทษนะฮะ และเป็นการลงโทษที่จิบปวดไม่ใช่แค่ในประชาชาติของนบีชูอับอย่างเดียวตัวอย่างที่กุรอ่านบอกไว้นะครับกุรอ่านบอกไว้ประชาชาติไหนบ้างอะวาอาดาววาสมุดประชาชาตนะิละประชาชาติสมุดก็เช่นเดียวกันนะถูกลงโทษ ด, ด้วยพฤติกรรมการกระทําที่ฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังรอซูลของพวกเขาพี่น้องลองดูนะครับว่า รอซูลที่มาบอกรอซูลที่ม า, า, าแนะนำในเรื่องราวของศาสนานะครับไม่ได้มาเพื่อที่จะมาลดความสามารถลดศักยภาพลดเรื่องของการมีการรวยร่ารวยของชุมชนหรือประชาชาติตาลเลยแต่มาเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว่าเขาจะต้อง ศรัทธาเชื่อฟังปฏิบัติตามการไหว้พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาละแค่นี้ครับที่เราเรียกว่าหลักการเตาหิตที่เราเรียกว่าอีมานนั่นเองแต่แล้วพวกเขาเหล่านี้ทําไมครับคิดเองเออเองเข้าใจเองว่าจะสูญเสียอํานาจจะสูญเสียงมวลชนจะสูญเสียนูสูญเสีย น, นี้และสุดท้ายด้วยลึกๆความยะโสโอหังไม่เชื่อฟังก็เกิดขึ้น ดังนั้นประชาชาติของอาร์ตและสมูทก็เช่นเดียวกันถูกทำลายละวกัตตาบัยยานละกุมมิมมาแกินนิหิมอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจึงได้บอกว่าและเราก็ได้ให้พวกเขาได้ประจักษ์ถึงถึงอะไรถึงที่พำนักของพวกเขาแปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าพวกเขาทั้งหลายนะฮะได้ทําการะตะกับุดโอหังยาโสท้าทายและสุดท้ายคิดว่าเรือเอเอเขาเรียกบ้านเรือนของพวกเขาเนี่ยยิ่งใหญ่ ความแข็งแกร่งแข็งแกร่งของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่ไม่มีใครทำลายล้างได้จากการเห็นในภาพของการสร้างบ้านหรือการเป็นอยู่ของพวกเขานี่ก็ก็น่ากลัวก็คิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่แต่เป็นไงครับสุดท้ายก็ถูกทำลายล้างสุดท้ายก็ถูกอาสาบของอัลลอสุขตัละเหตุเหล่านี้ทั้งหมดคืออะไรครับวะไซยานะละหูมุเชตโนะอะมาละหุมนี่แหละครับพี่น้องชยตอนได้พยายามชยตอนได้ลงมาสร้างเลัง จินตนาการได้กระซิบกระซาบนะครับได้ทําให้เขามีความเขาเร็กรู้สึกว่างานการงานที่เขาทําสิ่งที่เขาคิดคำพูดที่เขาทําการต่อต้านที่เกิดขึ้นมันเป็นดูดีทําให้ดูดีในอามันต่างๆนะของผิดก็พยายามบอกให้ผิดให้เป็นถูกแล้วคิดว่าของผิดนั้นคือความถูกต้องและเข้าใจว่ากำลังทําสิ่งที่ถูกต้องอยู่โดยไม่มี หลักฐานโดยไม่มีที่มาที่ไปพี่น้องลองดูนะครับว่าในยุคเราก็เหมือนการพี่น้องเห็นได้ชัดเลยของที่ผิดพลาดของที่ไม่ใช่นะเรื่องของศาสนานะจะไม่มีใครถามที่มาที่ไปผู้รวมรวมว่าเขาทํากันจบผู้รวมรวมว่าก็ทํากันมาจบผู้รวมรวมว่าอา้างั้นค น, ก, นก่อนก็ไม่ได้สิจบไม่ซักถามที่มาที่ไปสิ่งที่ควรจะได้ เพราะอะไรอย่างไรไม่มีไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่พยายามเจาะลึกว่ามันจะมาจากไงอะไรยังไงตรงกันข้ามสิ่งที่ถูกต้องก็จะมีข้อกังขานะมาจากไหนถูกต้องหรือไม่ใครเป็นคนบอกอแข็งหรือไม่แข็งหมายถึงฮะดีษแข็งหรือไม่แข็งตัวอย่างมาอย่างโอโหซักละเอียดหมดเลยเห็นไหมฮนี่คือข้อแตกต่างดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้ทําไมครับว่าเยนารุมูเชตอนให้พึงรู้ว่าเชตอนกําลัง กำลังสร้างภาพกำลังสร้างจินตนาการสร้างความรู้สึกนึกคิดในอัมมันในการงานที่เขาได้ทำวอซดัมฮุมอานิสซบีลและแน่นอนครับให้เขาสร้างกำแพงหรือหันออกจากเส้นทางที่ถูกต้องบรรดาอัตและสมมติไม่ใช่คนที่ <c oughs> ขล็กไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเปล่าเลยพวกเขาทั้งหลายมีมีสติสัมปชัญญะมีความคิดมีความเกล้าหน้ามีทุกอย่างมีหมดเลยพวกเยาวสมุ์แต่สุดท้ายถูกใชยตอนที่พยายามให้ความขาล็กสะดวกสบายมองในเรื่องของความเก่งกาดมองในเรื่อ ง, องความยิ่งใหญ่มองในเรื่องของความแข็งแกร่งมองเรื่อ ง, องความเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหนึ่งเดียวอะไรประมาณนี้ให้เขานั้นได้รู้สึกว่า ใช่เลยเขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องปิดกั้นสน่วนเส้นทางสู่ศัจธรรมของคนเหล่านี้ของประชาชาติเหล่านี้วากานูมุสตาบิซีรนนะครับกุรานบอกไว้ทั้งๆที่พวกเขาเนี่ยอาตและสมุดเนี่ยเป็นผู้ทีเ่เขาเรียกว่ามีสติปัญญาพิจารณาได้หมดแต่เพราะตะกรับรถเพราะความยะโสอย่างนี้ปิดกั้นสติปัญญาหมดเลยเก่งครับจบระดับนี้ระดับนี้แต่ทาไมคิดไม่ออกว่า ผู้ที่สร้างที่แท้จริงคือใครคิดไม่ออกว่าสิ่งที่ทําคือใครจบระดับสูงแต่เรื่องเล็กเงี้ยทําไมถึงไม่ได้นี่แหละครับเพราะชัยตอนนะฮะเราก็รู้นะครับนะวันนี้เด็กๆเยาวชนเปิดนิเปิดหน่อยปิดนี่ปุ่นนี่ทําให้เกิดความเสียหายบนทําไมครับแต่คิดไม่ออกเราคิดไม่ได้เราคิดว่านี่คือความสวยงามเราคิดว่านี่คือศิลปะแล้วเห็นไหมฮมันเป็นหมดเลยพูดอ่านบอกไว้ 1,400 กว่าปีวันนี้มันเกิดขึ้นใน รูปธรรมที่ถ้าเราคิดไตรตรองนะครับเราจะเห็นแต่ถ้าเราทั้ง ท, งทังที่มีความคิดมีสติปัญญาแต่มีการพิจารณาแต่มองไม่เห็นเพราะเนื่องจากเชตอนได้ปิดกัน้นความรู้สึกความเข้าใจตรงนี้ไปนะครับดังนั้นกุรอานพี่น้องครับจะบอกจะสอนให้เราเห็นและแ น, น่นอนครับมันไม่ใช่เพียงแค่ประชาชาติสมุดและอาร์ตแต่มันรวมถึงเป็นบทเรียนให้กับเราในวันนี้ว่าเราจะต้องศึกษาอัลกุรอานไตรตรองให้รอบคอบในต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเราก็จะได้เห็นถึง สัจธรรมความเป็นจริงของอัลอิสลามว่าอิสลามสอนให้ผู้ศรัทธาเป็นคนดีอย่างไรนะครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วครับพบกันให ม, ม่ในกรัาต่อไปครับซมุลลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮบะบารักะตุ